โยมเคยได้ฟังธรรมจากพระพิสุผู้เป็นญาติของสามีของโยมนำพระไตรปิฎกมาแสดงให้ฟังเกี่ยวกับพิสุพิสุณีสิกขามานาสัมนีสัมนมมมรีที่บวชเข้ามาในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่เอื้อเฟือต่อพระธรรมวินัยไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรม เป็นสมณะรามกเมื่อจุติคือตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปตกนรกหมกไหม้นานแสนนานจนพุทธันดอนหนึ่งผ่านไปบรรพชิตกล่าวนั้นไม่ใช่คนเดียวสองคนแต่นับประมาณไม่ได้เมื่อสิ้นกรรมชั่วช้าที่ได้ทำการย่ำยีบีทาพัะธรรวินัย เป็นพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่องค์พระศาสดาได้ทำการสแสวงหาและตัดสู้ได้โดยยากแล้วเศษกรรมที่เหลือก็บรรดาลให้บรรพชิตเหล่านั้นมาบังเกิดในกำเนิดเปรตอยู่ตรงบริเวณภูเขาคิชฌกูฏในเมืองราชเครืซึ่งมีพระคันธกุฎีที่พมนัก ของพระโคโดมพุทธเจ้าของพวกเราประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นเปรตบรรพชิตเหล่านั้นตั้งแต่พระองค์ตัดสรู้ใหม่ๆแต่ไม่ตัดบอกแก่ใครๆเพราะยังไม่ถึงเวลาและถ้ายังไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัดวันหนึ่งพระมหาโมคราณะเทระ ผู้เป็นเอตทัตคะผู้เลิ่อทางด้านมีอิทธิฤทธิ์ได้เดินลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมกับท่านพระรัคนะเถระผู้เป็นพระอรหันต์นับเนื่องในพระพิสุชรินพันรูปผู้เป็นบริวารของท่านพระอุรุเวละกัสปะเทระในระหว่างที่กำลังเดินลงมานั้นท่านพระมหาโมคาราณนะ ได้ทำอาการแย้มยิ้มให้ปรากฏท่านพระรักขณะเห็นดังนั้นจึงถามว่าท่านยิ้มแย้มเพราะเหตุอะไรมีเรื่องอะไรที่ควรแก่การสมมนัสหรือพระโมคคาณะเทระเมื่อถูกถามดังนั้นจึงกล่าวตอบว่าขอให้ท่านช่วยถามผมต่อเบื้องพระพะักร ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเพราะขณะนี้ยังไม่ใช่เป็นเวลาควรแก่การพยากรปัญหาพระรักขณะเทระก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายเพราะเป็นผู้หมดมานะคือความถือตัวสิ้นแล้วจึงเก็บคำถามไว้ถามในภายหลังเมื่อท่านทั้งสองได้เที่ยวไปบินทบาทและฉันเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมทำวัดเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ณนะส่วนข้างหนึ่งเมื่อได้อยู่เฉพาะเบื้องพระพักอันงามผ่องด่งจันทเพญของพระสัพพัญยูพุทธเจ้าท่านพระรักษนณะก็ได้ถามท่านพระมหาโมคาราณะว่าท่านมหาโมคาราณะเมื่อลงจากภูเขาคิดฉกูู ท่านได้แย้มขึ้นแล้วในที่แห่งหนึ่งอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ท่านแย้มขึ้นเร่าขอรับท่านพระมหาโมคคาณะได้ตอบว่าเมื่อ <"Me asure S 2> ผมลงมาจากภูเขาคิชกุตได้เห็นพิสุพิษุ น, าา น, ามมนีสิกขมานาสัมเนสัมเนรีลอยอยู่ในท้องฟ้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าสังขติบาทประคตเอวร่างกายของพิสุพิษุณีสิกขามานาสัมมณีสัมมณรีนั้นมีไฟติดทั่วลุกลุ่มโรดชดช่วงอย่างร้อนแรงไร้ากาดพิสุพิสุณีสิกขามานาสัมเณีสัมมณรี นั้นส่งเสียงร้องควรครางด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นที่น่าสังเวชน่ากรุณาเสียเหลือเกินผมคิดว่าน่าอัศจรรจริงไม่เคยมีมาเลยสัตว์ที่ทำกรรมชั่วช้าแล้วได้รับผลแห่งกรรมชั่วเห็นปานนี้ก็ยังมีหนอ ยักษ์แม่เห็นปานนี้ก็ยังมีหนอการได้อัตภาพแม้เห็นปานนี้ก็ยังมีหนอยมชัยไลขณะที่เล่าเรื่องที่ได้ฟังมาจากพระไตรปิฎกอยู่นั้นก็ให้รู้สึกมีอาการหวาดเสียวน่ากลัวขนพองสยองก้าวพอคิดไปด้วยความกลัวว่า ถ้าตนเองนั้นไปเกิดอยู่ในสภาพเช่นนั้นบ้างจะได้รับทุกขเวทนาขนาดไหนหนอจึงได้เตือนตอนเองในใจว่าถ้าเธอไม่อยากหมกไหมยอยู่ในนรกและไม่อยากถู ก, ถกไฟเ <ไฟ S 1> ผาไหมยอยู่ในอากาศอย่างนั้นก็อย่าได้ไทําบาปอากุศลแม้แต่น้อยนะนางไชยไลก็กล่าวต่อหลวงตาต่อไปอีกว่า เมื่อท่านพระมหาโมคารายณะเถระได้กล่าวขึ้นดังนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักสุหนอเป็นผู้มียานหนอเพราะแม้สาวกของเราก็รู้ก็เห็นสะเห็นปรังนและเป็นพยานของเราได้ เมื่อก่อนเปรตบรรพชิตเหล่านั้นเราก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันแต่ว่ามิได้พยากรหากว่าเราจะพึงพยากรเปรตบรรพชิตเหล่านั้นไสคนอื่นที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่พึงเชื่อถือเราข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาละนานแก่คนเรานั้น ดูก่อนพิสุทั้งหลายเปรตพันพชิตเหล่านั้นได้เป็นพิสุพิสุณีสิกขามานาสามนเณรสามนเณรวีผู้ชั่วช้าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสามพุทธเจ้าด้วยผลของกรรมนั้นพิสุพิสุณีสิกขามานาสามนเณร สั ม, มเนวีเหล่านั้นหมกไหม้แล้วในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีด้วยผลของกรรมนั่นแหละยังเหลืออยู่พิสุพิสุณีสิกขามานาสั ม, มเนะสั ม, มเนวีเหล่านั้นจึงต้องเสวยการได้อัตภาพเหตุปานนี้ ในอัธกถาอธิบายว่าคําว่าปาปะพิขุได้แก่พิสุลามกได้ยินว่าพิสุพิสุณีสิกขามานาสัมมะเนสมมะเนสัมมะเนรีนั้นบริโภคปั จ, จัจสี่ที่ชาวโลกถวายด้วยศรัทธาเป็นผู้ไม่สำรวมทางกายทวารและวจีทวาน ทำลายอาชีวะปล่อยจิตใจให้เพลิดเพลินประมาทมัวเมาแต่นั้นบรรพชิตเหล่านั้นก็ไม่อยู่ในนรกตลอดพุทธันดอนหนึ่งเมื่อเกิดในเปตรโรค ก, ก็บังเกิดด้วยรูปร่างกายที่เหมือนกับพิสุพิสุณีสิกขามานาสมเนสม ม, น เ, ส ม, มนเนรีนั่นเอง โยมไยไลได้กล่าวสรุปกับหลวงตาสงบผู้เริ่มสงบบ้างแล้วว่าหลวงพ่อเจ้าคะ่ะเห็นไหมเล่าเจ้าคะ่ะผลของการบวชโดยขาดการศึกษาและไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นนักบวชที่ชั่วช้ารามกย่ำยีคำสอนใน พ, พุทธศาสนาในที่สุด ก็ต้องไปชดใช้ผลของกรรมในอบบยภูมิอันเจ็บแสบทุกทรมานเหลือประมาณแม้ว่าในปัจจุบันจะอยู่เป็นสุขมีที่อยู่อาศัยมีเงินทองใช้มีปัจจัยสี่บริโภคอย่างเหลือเฟือมียศถาบรรดาศักดิ์มันก็ไม่คุ้มกันเลยถ้ามรณะภาพแล้วจะต้องไปสู่ทุกขติ อันหน้าหวาดเสียวจะหาความสุขแม้เสี้ยวเล็กน้อยก็ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองที่สะสมไว้ก็ช่วยให้พ้นอบายไม่ได้แม้ยดถาบรรดาศักด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณชั้นใดเป็นพระมหาปรเรียนกี่ประโยคหรือเป็นพระครูชั้นไหนก็ตามท่านพญายม หรือท่านยมมาทูตก็ไม่ได้กิ่งอกเกรงใจคงไม่ยอมให้อภัยหรือลดหย่อนผ่อนโทษให้หรอกนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นขอให้หลวงพ่อคิดตองดูให้ถี่ทุวนเถิดเจ้าคะ่ะยมอยากเห็นหลวงพ่อเป็นพระสุปฏิปันโนทรงธรรมทรงวินัยถึงแม้จะไม่ถึงกับเป็นพระหูสูตร ทรงพระไตปิโด ก, ก็ขอให้อย่าได้ประพฤติผิดจากวินัยบัญญตัติเจริญสมาธิวิปัสนาบ้างเท่านี้โยมก็พอใจแล้วเจ้าค่ะหลงตาสงบนั่งสงบนิ่งไม่ไหวติง่งใจหนึ่งก็ยอมรับเห็นดีด้วยและอยากจะปฏิบัติตามที่โยมลูกสาว ผู้หวังดีอุตส่าก่าวให้ฟังแต่อีกใจหนึ่งก็ยังนึกค้านว่าถ้าปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินยัยแล้วจะอยู่ได้หรือเปล่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครจะต้องลำบากมากไหมใจก็กลับฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกจึงได้ปลอบใจตนเองและเข้าข้างตนเองว่า เราก็พอที่จะปฏิบัติตามวรรมวินัยได้อยู่เหมือนกันนี่นาพระวินัยที่ละเอียดละออมากมายพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโลมไว้ว่าให้สงเพิกถอนบ้างก็ได้และเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทาลายพระพุทธศาสนาด้วยตายแล้วก็คงไม่ตกนรกกรมมังเมื่อมีใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะยังมีเหตุผลข้ออ้างว่า ไม่ต้องรักษาพระวินัยทั้งหมดเนื่องจากพระพุทธเจ้าอนุญาตให้รือถอนสิขาบทบางข้อก็ได้จึงกล่าวด้วยเสียงอ่อนกับยอมลูกสาวว่าอัตมาก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่แล้วเท่าที่สามารถจะทำได้และเป็นไปตามสังคมสิ่งแวดล้อมก็คือตามสถานที่หรือวัดต่างๆ ที่ต้องเข้าไปอยู่อาศัยเขารับเงินทองกันก็ต้องรับตามเขาเขาดื่มนมหลังเที่ยงกันก็ดื่มกับเขาเขาขุดดินตัดหญ้าทำบริเวณวัดวาให้สะอาดก็ต้องทำกับเขาการซื้อของขายของกันก็เป็นเรื่องจาเป็นในยุคนี้แม้ต้องอาบัตก็จริงแต่สิขาบทเหล่านี้ เป็นสิขาบทเล็กน้อยที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ว่าถ้าทรงพอใจก็ให้ลือถอนออกได้บ้างเพราะฉะนั้นอาตมาจึงคิดว่าเมื่อตายแล้วอาตมาคงไม่ต้องไปเกิดในนรกหรอกบุญกุศลอย่างอื่นก็ทำไว้มากพอสมควรเหมือนกันหรือยมคิดว่าอย่างไร ยอมไฉไลคิดว่าหลวงตาน่าจะเข้าใจยอมรับความจริงและตัดสินใจได้ว่าจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดหรือจะลาศิกขามาเป็นคลุ่หัสแต่ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่หลวงตายังเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องรักษาพวินัยให้เคร่งครัดก็ได้โดยอ้างว่าพระพุทธเจ้า อนุญาตให้รือถอนสิขาบทเล็กน้อยถ้าล่วงศิขาบทเล็กน้อยคงจะไม่มีโทษอะไรมากจึงได้ชี้แจงต่อหลวงตาว่าหลวงพ่อเจ้าคะ่ะยมขอชี้แจงแสดงความคิดเห็นหน่อยเจ้าคะ่ะเนื่องที่หลวงพ่อพูดว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้รือถอนศิขาบทคือพระวินัยข้อเล็กๆน้อยๆยได้นั้น พระพิสุที่ไม่ค่อยจะเอื้อเฟื้อต่อพระวินัยส่วนใหญ่ก็มักจะอ้างข้อนี้กันแต่อยากจะถามพระพิสุเหล่านั้นว่าสิกขาบทข้อไหนบ้างที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยและมีจํานวนกี่สิกขาบทกี่ข้อที่รื้อถอนได้สิกขาบทข้อไหนจําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ข้อไหนที่ไม่จําเป็นใคร จะเป็นคนตัดสินเจ้าคะหลวงพ่อพอทราบหมายเจ้าคะว่าควรลื้อถอนสักกีสิกขาบทหลวงตาสงบใส่หน้าแสดงความไม่รู้เหมือนกันโยมยไฉไลจึงกล่าวบรรยายต่อไปว่าในเมื่อไม่มีใครเป็นผู้ตัดสินได้ว่าจะต้องรักษาพระวินัยส ก, กีข้อ และจะต้องเพิกถอนสักกี่ข้อเราผู้เป็นสาวกจึงไม่ควรอ้างว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ลือถอนพระวินัยซึ่งเป็นสิกขาบทข้อเล็กน้อยเพราะว่าโยมได้ฟังมาว่าแม้พระอรหันห้าร้อยรูปในสมัยปฐมสังคยาามีพระมหากัสปะเทระเป็นประธานก็ได้ตกลงร่วมกันว่า จะไม่มีการเพิกถอนสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งแม้สักข้อเดียวและได้ตั้งกติกากันทำเป็นสังฆกรรมสวดประกาศให้ทราบทั่วกันว่าสงไม่พึงบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไม่พึงเพิกถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วและพึงสมาทานประพฤตในสิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้นั้น เมื่อเป็นดังนี้เหตุฉนัยพระพิสุในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมิได้มีคุณธรรมเทียมเท่ากับพระอรหันต์หร้ในสมัยปฐมสังคยนาจึงมีสิทธิ์มาอ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ลือถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้แล้วพากันเมินเฉยไม่เอื้อเฟื้อที่จะศึกษาและปฏิบัติตามไม่รักษาพระวินัยบัญญัติ ให้บริบูรณ์อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อก็เคยศึกษาคำพีมิรินทปัญหามาแล้วมิใช่เหลือเจ้าคะโยมก็เคยได้ฟังมาจากพระพิสุรูปหนึ่งถึงเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้เองเรื่องที่พระเจ้ามิรินตัดถามท่านพระนาคเสนองค์อรหันต์เป็นปัญหาสองแง่ว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพันย์อยู่คือเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงทรงรู้แล้วจึงแสดงธรรมไม่ใช่ไม่รู้แล้วแสดงอีกข้อหนึ่งคือได้ตัดกับพระอานนท์ไว้ในสมัยใกล้จะปรินิพานว่าเมื่อเราล่วงรับไปแล้วเมื่อสงหวังอยู่ก็จงเพิกถอนสิขาบทเล็กน้อยเถิดดังนี้พระเจ้ามิลินจึงถามว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงจริงทำไมจึงทรงอนุญาตให้เพิกถอนสิขาบทเล็กน้อยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เองสิขาบทเหล่านั้นบัญญัติไว้ไม่ดีหรือไรจรึงให้เพิกถอนได้หรือว่าพระองค์ไม่ทรงรู้จริงความจริงเป็นอย่างไรแน่ท่านพนาคเสนผู้ขี่นาสะวะได้กล่าวตอบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงจริงและการที่ทรงอนุญาตว่าเมื่อพระองค์ปริญญานิพพานไปแล้วถ้าทรงพอใจก็ให้เพิกถอนสีขาบทเล็กน้อยได้ก็เป็นเรื่องจริงที่ทรงอนุญาตเช่นนี้ก็เพื่อจะทดลองสาวกของพระองค์ว่าจะถือตามพระดำรัสของพระองค์ พากันเลิกล้มสิกขาบททั้งหลายหรือจะเอื้อเฟื้อลักษากันต่อไปท่านพนาคเสนได้ยกอุปมาขึ้นว่าเปรียบเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิทรงประสงค์จัดทดสอบพระโอรสของพระองค์จึงรับสั่งว่าว่านแก้นอันมากมายใหญ่หลวงเหล่านี้มีอาณาเขตไปสิ้นสุดที่มาหาสมุทรตลอดทิศ ท, ทั้งปวงการที่พวกเจ้าผู้มีกาลังเพียงเท่านี้ หากต้องรักษาแว่นแว้นอันมากมายเหล่านั้นไว้จะเป็นการกลําบากเมื่อพอล่วงลับไปแล้วพวกเจ้าจงสละหัวเมืองชายแดนเสียบ้างเถิดดังนี้ท่านพนาคเสนได้ถามพระเจ้ามิลินว่าเมื่อพระชนกของพระกุมารเหล่านั้นสวรรคตแล้วพวกราชกุมารเหล่านั้นจะยอมสละหัวเมืองชายแดนทั้งปวงที่อยู่ในเงื้อมือของตน ตามคำของพระราชนกหรือไม่หลวงพ่อคิดว่าพระราชกุมารเหล่านั้นจะยอมสละหัวเมืองชัยแดนที่อยู่ในอำนาจหรือไม่เจ้าคะหลวงตาสงบตอบลูกสาวผู้แสนฉลาดในอุบายว่าถ้าใครสละก็โง่ น, น่ะสิหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องออกบวชไปเสีย อุตสาห์ออกลบขยายอนณาณิคมจะมาสละได้อย่างไรมีแต่จะลบแย่งชิงดินแดนให้มากขึ้นอีกนะสิหลวงพ่อเก่งมากเจ้าค่ะตอบเหมือนกับพระเจ้ามิรินตอบเลยพระเจ้ามิรินตอบว่าไม่ใช่หลอกพระคุณเจ้าพวกราชกุมารเหล่านั้นมีแต่จะสแสวงหาหัวเมืองชนบทให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นทวีคูณ เพราะความโลภต่อราชสมบัติฉะไหนจะยอมสละเมืองที่อยู่ในเงื้อมือแล้วเล่าพนาคเสนได้กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรอุ ป, ปมาฉันใดอุ ป, ปไมยก็ฉันนั้นพระตถาคตทรงประสงค์จะทดสอบพิสุทั้งหลายจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าดูก่อนอานน์เมื่อเราล่วงรับไปแล้ว สงเมื่อต้องการจะเพิกถอนขุดททานุขุดทกกะสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ขอถวายพระพรพระพุทธบุตรทั้งหลายมีแต่จะอบรมรักษาสิกขาบทอื่นๆยิ่งขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณเพราะมีความต้องการทำเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จะละทิ้งสิกขาบท ที่ทรงบัญญัติไว้แล้วตามปกติได้อย่างไรพระเจ้ามิรินตัดถามอีกว่าพระคุณเจ้านาคเสนคําที่ตัดไว้ว่าขุธานุขุทะกะสิกขาบทคือสิกขาบทเล็กน้อยนี้คนที่เขายังสับสนเกิดความคลองใจขุทะกะสิกขาบทคือสิกขาบทเล็กเป็นอย่างไรอะนุขุทะกะสิกขาบท คือสิกขาบทน้อยเป็นอย่างไรพรนาคเสนได้ทูลตอบว่าขอถวายพระพรขุทธกะสิกขาบทข้อเล็กคือสิกขาบทที่เป็นอาบัตทุกกฎส่วนอนุขุทธกะสิกขาบทข้อน้อยคือสิกขาบทที่เป็นอาบัตพุทธภาษิตพระเจ้ามิลินทรงยินดีอนุโมทนาแล้ว เมื่อได้แสดงเรื่องที่ทรงอนุญาตให้หรื้อถอนสิขาบทเล็กน้อยจบโยมใชไลก็ได้สอบถามดวงตาสงบหลวงพ่อยังคิดว่าควรจะรื้อถอนสิกขาบทข้อใดอยู่อีกหรือไม่เจ้าคะและคนหรือที่จะประพฤติย่อหย่อนไม่เอื้อเฟื้อที่จะรักษาพระวินัยบัญญัติให้บริบูรณ์ ลงตาสงบกล่าวตอบด้วยสีหน้าผ่องใสขึ้นด้วยเหตุที่เลื่อมใสในตัวลูกสาวที่จดจาและเข้าใจพระธรรมได้มากมายแม้ว่าจะศึกษา ม, มาได้ไม่นานและเกิดความเลื่อมใสในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยจึงกล่าวตอบโยมลูกสาวว่าอาตมาเห็นว่าไม่ควรหรอกและไม่มีใครกล้ารื้อถอนสิขาบท ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วแน่นอนเพียงแต่พระพิสุทิ์ที่มีศรัทธาน้อยหรือที่ไม่มีศรัทธาก็จะไม่เอื้อเฟื้อไม่พยายามศึกษาให้เข้าใจและไม่ประพฤติตามพระวินัยข้อที่ขัดกับกิเลสของตนเองหรือข้อที่ปฏิบัติตามไม่ได้เท่านั้นเองยมเห็นใจจริงๆเจ้าค่ะ สำหรับพระพิสุที่บวชเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยทำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจและเข้าใจผิดเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้มีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมายแม้ว่าอาจจะมีเป้าหมายในโลกนี้แต่ชีวิตในโลกหน้านั้นเลื่อนรอยเพราะไม่ได้วางแผนการชีวิตไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในโลกนี้ โดยเฉพาะการที่จะเดินทางไปถึงโลกอุดร อ, อันเป็นเป้าหมายในพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็เป็นเรื่องยิ่งกว่าความฝันเพราะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากพระพิสุที่ไม่รักษาพระวินยัยอันเป็นอธิศีระสิกขาจะอบรมจิตให้เป็นสมาธิอันเป็นอธิจิตตสิกขานั้นก็เป็นไปไม่ได้ การที่จิตยังฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิจิตแล้วจะอบรมวิปัสสนาซึ่งเป็นอธิปัญญาศิกขาก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นกันโยมจึงใคร่ที่จะชักชวนให้ท่านพระพิสุทั้งหลายผู้มีโอกาสดีได้บวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งที่ได้ยากช่วยกันรักษาพระศาสนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองด้วย โดยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกและอัตถกถาเพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามซึ่งตัวโยมเองนั้นมีบุญน้อยจึงเกิดเป็นผู้หญิงในยุคนี้ทำให้ไม่มีโอกาสได้บวชเป็นบรรพชิตแต่ก็ขออนุโมทนากับหลวงพ่อและพระพิสุทั้งหลายที่ได้บวชและสามารถประพฤติปฏิบัติตามพะธรรมวินัยได้ ยมยินดีที่จะอุปถากดูแลด้วยปัจจัยสี่ตามกำลังเท่าที่สามารถจะทำได้เจ้าค่ะส่วนพระพิสุที่ทุศีลหรือมีอาจาระวิบัติไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินยัยไม่เกรงกลัวต่อบาปอกุศลเข้ามาอาศัยพระศาสนาเรียงชีพพร้อมทั้งยังย่ํายีทําทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียอีก โยมอยากจะให้ท่านพระพิสุเหล่านั้นได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านพระธรรมคำสอนที่โยมเคยได้อ่านได้ฟังมาจากพระไตรปิฎกอันเป็นเรื่องของพระทูตศีลกับพระพิสุที่มีศีลเมื่อได้ฟังพระธรรมสูตรเดียวกันผลของการฟังทำให้พระพิสุพวกหนึ่งกระอักเลือดพวกหนึ่งลาศิกขาไปเป็นคฤหันส่วนอีกพวกหนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต ขอความกรุณาให้หลวงพ่อช่วยแสดงต่อๆกันไปจะได้เป็นประโยชน์ต่อภาพพิสุผู้ที่ท่านหลงประพฤติผิดต่อพระธรรมวินัยโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยที่ท่านไม่มีเจตนาจะทำลายพระศาสนาโยมกราบขอโอกาสเล่าให้หลวงพ่อฟังนะเจ้าคะ่ะหลวงตาสงบ แสดงอาการยินดีแล้วกล่าวอานุญาตว่าเชิญกล่าวตามสบายได้เลยอัตมากำลังรอฟังอยู่เหมือนกันโยมัฉไลแม้ว่าจะเริ่มศึกษาธรรมะไม่นานแต่ด้วยความประทับใจในพระธรรมและห่วงใยในหลวงตาจึงตั้งใจจดจำพระธรรมคำสอนชี้แจงต่อหลวงตา โดยเริ่มจากการอ้างคำผีพระไตรพิโดกว่าในอังคุตระนิกายสัตตกนิบาตอคิขันทูปมาสุท่านพระอานนทผู้เป็นขุนทางปริยัตผู้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้ทั้งหมดได้กล่าวไว้ในเขาสังคยนาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จจาริกไปในแคว้นโกสล พร้อมด้วยพิษุกสอมู่ใหญ่ในระหว่างทางได้ทอดพระเนตรเห็นไฟกองใหญ่กำลังลุกรุ่งโรดชดช่วงอยู่ในที่แห่งหนึง่งจึงเสด็จแวะลงจากทางไปประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ใกล้โคนไม้แห่งหนึง่งคันแล้วได้ตัดถามพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นไฟกองใหญ่ที่กำลังลุกรุ่งโรดชช่วงอยู่นั่นหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะ